วันอาทิตยที่8ธันวาคมพศ2539เป็นการบรรยายท่าสูตรในสังยุตติกายเรื่องปฏิจจสมบบาทตัวอาจารย์สุเทพโพธิสัท t า a สาธุชน ท, ทุกท่านทินดีครพบระสูตรวันนี้เป็นพระสูตรวัคที่7ลำดับสูตรที่4มีชื่อว่าอัิราท่าสูตรก็แปลตามตัวว่าเรื่อง มีความกำหนับอธิแปลว่ามีราคะแปลว่าความกำหนับบ้างแปลว่าความยินดีบ้างในทางเนื้อหานั้นก็แสดงถึงเรื่องราวที่ว่าด้วยเมื่อมีหรือไม่มีความกำหนับสูตรนี้ตั้งชื่อว่ามีความกำหนับแต่มีความหมายเลยไปถึงความไม่มีความกำหนับในอาหารสี่ความกำหนักนั้นเป็นอันหนึ่งอาหารสี่เป็นอันหนึ่งความกำหนักเป็นอารมณ์ ความกำหนัดเป็นตัวยึดตัวรู้อาหารสีเป็นอารมณ์เป็นที่ถูกยึดเป็นที่รู้การรับรู้อะไรๆเนี่ยมันไม่ได้จบหรือไม่ได้รู้แค่ได้รสชาติไอ้บางสิ่งบางอย่างแล้วเลิกกันแต่วา่าเมื่อรู้แล้วจะมีการทิ้งพลังทิ้งอำนาจบางอย่างทั้งโดยตรงและโดยผลสืบเนื่องต่อไปอีกที่จะเดืยอย่างนาน อย่างที่พระผู้มีพระภาพได้ทรงตรัสเนื้อความเบื้องต้นของสูตรนี้ที่เหมือนกับสูตรที่ผ่านมาทุก ป, ประการคือกล่าวถึงเรื่องของอาหารสี่ว่าเป็นสิ่งที่ทําให้สัตว์ทั้งหลายที่แสวงหาที่เกิดหรือเกิดแล้วเนี่ยสา ม, มารถที่จะดํำรงอยู่ได้ด้วยอาหารสีน่นี้และจากนั้นก็ได้ทรงตรัสเนื้อความที่เป็นการ พิเศษแยกจากสูตรที่แล้วในประเด็นที่สองโดยลําดับไปว่าถ้าความยินดีตรงนี้บาลีใช้คาว่ากำหนดนะฮะถ้ า, าความเพิดเพลินตรงนี้บาลีใช้คําว่านันทิความทะยานอยากใช้คําว่าตันหาความยินดีคือราคะนันทิคือความเพิดเพลินตันหาคือความทะยานอยากเป็นไวยพดของโลภะเจตสิกนั่นเองเป็นการตรัสสามคำ กว่ทั้งสาอย่างนี้มีอยู่ในกะวาริงการาหันไซวิญญาณก็ตั้งอยู่งอกงามในกะวาริงการาหันนั้นในที่ใดวิญญาณตั้งอยู่งอกงามในที่นั้นย่อมมีการหยั่งลงแห่งนามรูปในที่ใดมีการหยั่งลงแห่งนามรูป ในที่นั้นย่อมมีความเจริญแห่งสังขารทั้งหลายในที่ใดมีความเจริญแห่งสังขารทั้งหลายในที่นั้นย่อมมีความมีการเกิดในพบใหม่ต่อไปในที่ใดมีการเกิดในพบใหม่ต่อไปในที่นั้นย่อมมีชาติชรามรณะต่อไปในที่ใดมีชาติชรามรณะต่อไปเราเรียกที่นั้นว่ามีความสุขมีทุลีมีความขับแคลนอ่านี่ก็เป็นเนื้อความที่พระพุทธเจ้าทรงตรัส ถือว่าเป็นรูปแบบหนึ่งของปฏิจจสมุปบาทนะครับผมอยากจะเรียงให้เห็นภาพซึงก็บังเออผมจะต้องใช้การพูดเอาว่าปฏิจจสมุปบาทในรูปแบบอย่างนี้เป็นรูปแบบที่ฟังดูเหมือนห้่นหุ่จากจุดเริ่มต้นคืออาหารนะแต่จะเขียนโดยลําดับเนี่ยก็เขียนคําว่าอาหารสี่อาหารสี่เป็นปัใจจัยให้เกิดตัณหาก็เขียนอาหารสแล้วก็รูปสาโยงไปหาตัณหา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 มีที่นี่เอ่อเราก็ย้อนกลับมาพูดถึงจุดเรื่องต้นระหว่างปัญหากับอาหารอาหารเนี่ยก็คืออาหารสี่แต่ท่านแสดงทีละตัวครับในประเด็นนี้ท่านแสดงความอยากความติดความยึดความกำหนัดในกะวะริงการอาหารอาหารเื็รูปในประเด็นที่สามกล่าวถึงความยินดีที่มีใน ปัสสารในมโนสันเจตนาหารในวิญญาณาหารคือตรงนี้นะถ้าเราพูดแบบอิ่งถึงสิ่งที่เราเข้าใจดนอย่างง่ายๆก็คือว่าตัณหาที่ว่าเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เนี่ยมันเป็นเหตุอย่างไรคำตอบก็คือว่ามันยินดีในนามในรูปอาหารดีนี่โดยย่อก็คือรูปอาหารนามอาหารนะะตัณหาที่เข้าไปยินดีในสิ่งใด หมายความว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ผู้มีตัณหาไม่อาจจะพ้นสิ่งนั้นไปได้คืออยากในสิ่งใดก็คือ ย, ยึดในสิ่งนั้นยึดในสิ่งใดก็พ้นสิ่งนั้นไปไม่ได้เท <alten> ่ากับว่าตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เสียดายเรื่องนี้ต้องเขียนแต่ผมให้ดูจะนิดนึงเขียนไม่ได้นะครับเครื่องไม่มีและตรงนี้ท่านแสดงในเบื้องต้นว่าอาหารสีเป็นอารมมณ์ปัจจัยให้เกิดตัณหา อาหารสีเป็นอารมณ์ปัใจจัยให้เกิดตัณหาเหมือนอย่างทุกเนี่ยเป็นอารมณ์ปัใจจัยให้เกิดตัณหาตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ก็เพราะว่าตัณหานั้นหน่วงเอาทุกเป็นอารมณ์ด้วยอำนาจของความกำนัดยินดีเหมือนเรานึกถึงตาของเราด้วยความกำนัดในตาถ้าตัณหาไม่อาจจะห่วงเอาตาเป็นอารมณ์ได้ตัณหาก็ยึดตาไม่ได้ ตัณหาก็กำหนักในตาไม่ได้เพราะไม่รู้มันไม่เห็นเหมือนเหมือนเราไม่ไม่เห็นของมีค่าไม่เห็นคนน่ารักในความกหนักเกิดไม่ได้เช่นเดียวกันตัณหาก็เหมือนกันเมื่อตัณหาเข้าไปกำหนักในสิ่งใดเนี่ยมันเป็นสมุดฐานเป็นสมุดไทยของสิ่งนั้นฟังดูเหมือนว่าเอมันของง่ายๆอย่างนี้ทำไมมันถึงมีพลังเป็นเหตุเป็นปัจจัยได้ ก็ขอให้นึกว่าเราเองเนี่ยเมื่อเกิดความกำหนัดพอใจในอะไรขอให้นึกถึงประสบการณ์จริงๆเราเพื่อเป็นเครื่องเทียบในเรื่องนี้ต่อไปนี่นะเรากำหนัดในสิ่งใดแล้วกำหนัดจริงๆชอบจริงๆเนี่ยมันเกิดความรู้สึกว่าเราจะต้องได้เราจะต้องได้แล้วก็ถ้าไม่ได้มันก็มีความทุกข์หรือถ้าได้มันก็มีความทุกข์อย่างคนได้ เป็นทุกข์ทีหลังเป็นทุกข์ในลำดับต่อไปเพราะนั้นปัญหาจึงเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อย่างนี้แต่เวลาที่เราอยากได้อะไรเป็นชิ้นๆไปเนี่ยนะฮะบางทีมันก็ไม่ได้หรอกมันก็ไม่ได้ถึงนั้นล้า ว, ว่าเป็นชิ้นๆนะเช่นว่าเราเกิดไปอยากได้ใครสักคนหนึ่งมาเป็นเจ้าของมันก็ไม่ใช่ว่าจะต้องอยากได้คนอยากได้หวยก็ไม่ใช่จะต้องรูปหวยอยากได้หุ้นก็ไม่ใช่ว่าจะต้องรวยหุ้น อันนี้เป็นว่าเป็นอย่างอยา่างทีนี้ในแง่ของตันหาเหมือนกันมันอยากไอนน้เฉพาะอย่างในบางทีมันมีการได้บ้างไม่ได้บ้างไปตามกระแสะแรงสวนของเหตุปัจจัยเหมือนว่าเราเองเนี่ยไปอยากได้อะไรไม่ไม่ใช่จะต้องอยากอยากแล้วจะต้องได้ดงนั้นแต่ที่แน่ๆก็คือว่าเราจะต้องได้สิ่งที่มีสภาพเป็นอย่างนั้นผมย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเมื่อเราอยากสิ่งใดแล้วเนี่ยเราจะต้องได้ สิ่งที่มีสภาพเป็นอย่างนั้นเช่นเราอยากได้คู่ครองเราอาจจะไม่ได้คนนี้แล้วก็ไปได้คนนี้หรือว่าเมื่อไปเป็นในรายาน<ม>ก็ไปได้ในรายารอะไรเงี้นะเราอยากกินอยากในรถเราอาจจะได้รถอย่างที่เราชอบสมใจอยากบ้างไม่สมบ้างมันแล้วแต่เหตุปัจจัยที่เป็นกระแสสวนตัวอื่น ีนี้ถามว่ามีเหตุปัจจัยเช่นว่าเราทําบุญไหว้ก็ได้สมใจคือได้รายละเอียดในสิ่งที่เราอยากเพราะเวลาเราอยากเนี่ยเหมือนเราจะปลูกบ้านแล้วอยากมีบ้านย่างไงก็ต้องต้องมีนะต่วบ้านจะบ้านระพาพไหนอีกเรื่องแต่ว่าถ้าเรามีพลังมากมีบุญมากเราก็อาจจะได้ตามแปลนตามมนโนภาพตามที่เราฝ่ฝันไว้ที่จะมีที่จะเป็นตรวนี้ อยากสมใจอยากในรายละเอียดแค่ไหนนั้นอยู่ที่ปัจจัยช่วยสหลอแต่ว่าอตัณหาเนี่ยเขาเป็นตัวตีกรอกของความอยากไว้แล้วว่าจะอย่างไรเสียก็ไม่พ้นไปจากไอกรณีหลักๆที่เขาต้องการปรารถนาทีนี้เวลาพระพุทธเจ้าตรัสถึงไอ้ความอยากเนี่ยบางครั้งท่านตรัสถึงอยายสัจสิบสอง เพื่ออะไรเพื่อให้ในยะของการปฏิบัติโดยอยายตนะปฏิบัติทำไมปฏิบัติเพื่อปรตหาบางแห่งก็พูดปลดโทมนัตด้วยอวิชาโทมนัตมันก็เป็นเป็นเรื่องเรื่องถึงกันเมื่อเช้าบังเอิญน่าจะพูดตรงนี้ไม่ได้พูดว่ามันโยงใยถึงกันอย่างไรนะฮะบางแห่งท่านพูดถึงขันธ์ห้าความอย่างในการหน้เรียกปัญจุ ป, ปาทานกันตันหาก็เข้าไปยึดขันธ์ห้า มันก็ได้ขันมีขันบางแห่งพูดแคบเข้ามาเป็นสีคืออาหารสีอาหารสีนั้นจริงเป็นวิปัสนาบูมอย่างหนึ่งในประไตรปิฎกและเป็นเพราะเป็นที่เกิดของตัณหาได้ตัณหาเกิดได้เพราะว่าตัณหาจับเอาอาหารสีเป็นอารมณ์ได้แล้วก็สาเหตุที่ท่านยกเอาตัณหาเอาเอ า, เอาอาหารสีซึ่งเป็นที่เกิดของตัณหาของคนบางคนมา แสดงเนี่ยก็เพื่อว่าเหมาะแก่การปฏิบัติได้ของคนบางคนเช่นในเรื่องการว่ารังบินการอาหารเกีก่ยวกับเรื่องกินนะเรื่องอาหารกันกินเรื่องภาษาคือการมีประสบการณ์สัมผัสถูกต้องเวทนาคือรสชาติของความรู้สึกวิญญาณหมายถึงคติหมายถึงพบหมายถึงการเกิดการปฏิสนธิหรือหมายถึงดวงจิตนั่นแหละครับอในบรรทัดนี้ ที่กล่าวว่าถ้าความยิน ด, ด, ดีความเพิดเปลินความทยานอยากมีอยู่ในกวารินการอาหารไดวิญญาณก็ตั้งอยู่งอกงามในกะวะริงการอาหารนั้นตรงนี้ท่านอธิบายว่าตืดต่อไปว่าอย่างนี้นะคือสำนวนแปลในวันทีก็ก็ลำบากใหญ่อยู่นิดหน่อยนะแต่ว่าผมจะเอาเนื้อหาที่อธิบายแบบสอดรับกับค อ, อธิบายของอัจฉริยและเนื้อความที่ควรจะเป็น ในทางหลักพระวิธรรมหลักในยี่นื่นว่าตัณหาที่เป็นปัจจัยแก่วิญญาณเป็นปัจจัยอย่างไรและหมายถึงวิญญาณอะไรคำตอบก็คือตัณหาที่เป็นปัจจัยแก่วิญญาณนั้นเป็นปัจจัยสองลักษณะสองลักษณะคือ คือเป็นโดยอ้อมอันหนึ่งกับเป็นโดยตรงอัอนหนึ่งและโดยจอมโดยอ้อมโดยตรงเนี่ยเป็นโดยปัจจุบันิสัยปัจจัยอันนี้ผมพูดแล้วผมต้องอธิบายนะครับเป็นโดยตรงก็หมายเป็นโดยอ้อมก็หมายความว่าเมื่อบุคคลมีตัณหาก็กระทำกรรมเมื่อบุคคลกระทากรรมด้วยตัณหากรรมนั้นก็ส่งผลทำให้เกิดใหม่ ท่านหมายเอาอชนกกรรมที่ทำให้เกิดปฏิสนธิวิญญาณและชนกกรรมหรือแม้กรรมอื่นใดก็ตามเกิดมาจากปัญหาเท่านั้นความอยากที่จะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ความอยากที่จะได้อย่างนั้นอย่างนี้ตรงนี้น่ะเราก็เคยพูดย้ำแล้วย้ำอีกก็ย้ำแลเป็นเรื่องลกอยู่นั่นเองผมก็จะลองอธิบายไอ้เรื่องอิอทธิพลของความอยาก กับกรรมให้ฟังก็ดีนะว่าไอ้แค่เราอยากเนี่ยครับเราก็มองดูว่าเวลาที่เราไมอยากเราก็ทํำนู่นทํานี่มันก็สมอยากบ้างไม่สมอยากบ้างได้เต็มบ้างไม่ได้เต็มบ้างได้เป็นอื่นบ้างได้อย่างนั้นบ้าง <c oughs> ความอยากจึงเป็นเหตุให้เกิดเป็นบ่อกเกิดของการกระทําโดยธรรมดาของคนทั่วไปและ เวลาที่เราอยากเราจะเห็นว่าเราอยากของเราเนี่ยมันมีอยู่สองจุดคืออยากในเหตุแอยากในผลถ้าอยากในเหตุเนี่ยหมายถึงอยากในต่ําอยากในผลเนี่ยหมายถึงอยากในผลกรบอันนี้ก็คงจะต้องเทียบเหมือนกับไออาชีพการงานนะเหมือนในที่เราพูดเราทำงานเราทำไมถึงอยากทำงานเพราะอะไร ทำไมถึงอยากทำงานนี้ทำไมถึงอยากทำงานโน้นเพราะอะไรเพราะเราชอบผลที่ได้จากงานไอ้ผลที่ได้จากงานเนี่ยมันจะเป็นผลในทางใดก็ตามเถอะครับมันมีหลายเหลายหลยส่วนที่เรารู้สึกว่าเราชอบอ่าผมมาพูดธรรมะ ก, ก็เป็นความชอบอย่างหนึ่งเป็นความอยากละเอียดอันหนึ่งที่ผมอยากทำอันนี้เพราะว่าผมรู้สึกว่าเออผมชอบผลที่มันเกิดขึ้นที่ผมมุ่งได้กว่าจะต้องทำด้วยวิธีนี้หรือทำด้วยวิธีนี้ถ้ามันได้ ดีก็ทําอย่างนู้นนะบางคนอยากจะเป็นหมอทําไมถึงอยากเป็นกันนักบางคนอยากเป็นทนายทําไมที่อยากเป็นอยากเป็นวิศวะอยากเป็นครูต่างๆนี่นะอ่าเอาเป็นว่าไม่ใช่จําใจอยากอยากแล้วตัวไม่มีพลังไม่มีเหตุบัญใจจะทําได้เลยต้องต้องจาใจชอบไปผลฝืมไปแต่ถ้าว่าเลือกได้จริงๆอย่างเหตุปัจัยสมบูรณ์เนี่ยเราก็นึกวเออทํานี่แล้วมันดีดีอย่างไรเราก็นึกถึงผล แล้วถ้าเราอยากได้ผลอย่างนี้เราก็ตะเกียกตะกายที่จะหางานนั้นทำใช่ไหมมันก็เลยว่าบางทีเนี่ยเรารู้สึกว่าไอ้โ hey, น no, ชอบอยากโตขึ้นอยากเรียนอะไรมันก็ยังไม่รู้รอเรียนไอ้ไ อ, ไอเรียนอันนั้นไปทํางานแล้วมันจะได้อะไรอย่างอื่นนะมันรู้แต่ว่าเอิมประทับใจครูดีพ่อแม่ป่วยหาหม อ, อยากไม่อยากจะเป็นหมอไปรักษาพ่อรักษาแม่คิดแค่นะอยากจะเป็นครูอยากเป็นอะไรต่างๆอย่างนี้ก็คิดว่าเออชอบเพราะมีเหตุผล มีผลหวังอย่างเด็กๆอันนี้เป็เรื่องความอยากอย่างโลกหรือเป็นตัณหาอย่างโลกเราจะเห็นว่าสองส่วนเนี้สัมพันธ์กันมันสัมพันธ์กันอย่างนี้เห็นเลยความอยากคือตัณหาในกรรมการทํากรรมของเราเนี่ยมันมีอยู่สองชั้นความอยากในกรรมในวิบากกรรมมีอยู่สองชั้นชั้นหนึ่งก็คือชั้นโดยปริยายแบบเด็กๆ่กะว่า เออเราเราทํากรรมอย่างนี้เรานึกว่าทําอย่างนี้แล้วมันจะได้สิแต่จริงๆแล้วอาจจะได้มากกว่านี้แล้ว อ, อาจจะไม่ได้อย่างกันนะเช่นว่าเรานึกว่าถ้าเราจะได้เงินมาเล่นการพนัน หรือได้เงินมาสแสวงหาเบญจกรรมาคุณมีอะไรอย่างที่ชาวโลกเขาแข่งกันมีเราจะต้องหาเงินะว่าเยอะๆและวิธีการที่เราจะมีเงินเยอะๆจะทํำยังไงนะก็ไปขายยาบ้าบหังทําความผิดอาทิตนาทานก็อื่นๆบ้างเพื่อที่จะมาสนองความอยากแต่แล้วมันก็มันก็ไม่สมอยากบางสมอยากบ้างหรูอสมเล็กน้อยผิดเยอะบ้างมันก็ออกไปลักษณะอย่างนี้เราก็มองไปไม่ถึงไอ ผลในทางลึกที่เป็นทางต่ําแม้แต่การทําความดีก็เช่นเดียวกันเราก็มองลึกไอมองมองตื้นโดยมากก็มองตื่นๆ น, น, นะว่าเออนี่เราเจะทําไมเราถึงทอดกระถินทอดผ้ป่ า, ปามันก็มีไอ้สิ่งล่ออยู่ในใจเราเป็นผลอยู่ในใจเ่ะก็จึงไปทอดกระถินทอปผ้ป่าบางคนก็ทอกระถินทอดผ้าเพราะเขามองเห็นอะไรบางอย่างในทางลึกๆอย่างที่อีกคนมันมองไม่เห็น มันก็เป็นไปได้เราเองเนี่ยเราอยากเพราะความที่เราอยากได้เบญจากรรมคุณนี่เอาเข้าหาธรรมะนะฮะเราอยากได้เบญจากรรมาคุณอยู่ในสันดานอยู่ในจิตกัน ท, ทุกคนตามภาษากามาอาวจรัดแล้วเราก็ทําบุญทํำบุญสนไอการที่เราทําบุญทำบุญสนเพราะว่าอยากได้เบญจากรรมคุณนี่จ้าเพราะว่า เราเห็นชัดซึ่งกฎแห่งกรรมก็ตามแล้วก็ทําไปด้วยกหลักการนั้นหรือจะทําไปเพราะเห็นมัวผลอย่างธรรมดาว่าเออคนที่ทําบุญแล้วอชาวโลกเขาเสันเซิญด้วยผลในทางสังคมจิตใจสบายจิดนู่นคิดนี่ออกหน้าตาของใสอย่างนี้นะเราก็ทํากรรมนั้นไปเพื่อที่จะให้ได้ผลอย่างที่เรามองเห็น แต่ว่าผลของความคิดของตัณหาและเมื่อลงมือทํากรรมไปแล้วเนี่ยนะกรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยบางทีมันระบาดคือมันระบาดเกินความอยากของเรามันมีทั้งไปในทางร้ายและไปในทางดีต่เหมือนเราเนี่ยเราอยากแล้วก็ไปเผ่อทําอะไรทั้งอย่างหนึ่งพอทำปุ๊บเนี่ยบางทีมันดีเกินเกินคาดอย่างเช่นว่าเราไปปฏิบัติกรรมฐานเพียงแค่ว่าอยากจะ ทำใจให้ระ บ, บายหายกลุ้มใจแต่ครั้งพอไปทําแล้วเนี่ยมันได้ผลมากกว่านั้นอย่างนี้ก็มีใช่ไหมไอ้กรรมมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้ความชั่วก็เหมือนกันอันนี้จะเห็นได้ชัดว่าไอ้คนทําความชั่วเนี่มันก็นึกวา่าเออทาถ้าพาดแคล้วก็ไม่ต้องติดคุกจิต ต, ต, ต, ต, ตลาดหรืออย่างดีก็แค่เขาด่าเขาอะไรเอาเจ็นไปกรมืเงินกรมือเงิ น, งนพ่อเงนแม่พ่อแม่ไม่ไปแช่งความหรอกอย่างมากก็ด่าอย่างมากก็ลงโทษนิดหน่อย แต่ขโมยเงินพ่อขโมยแม่ในกลับบาปมากกว่าขโมยเงินคนอื่นนะขโออยมยเงินอื่นแค่ติดตลาดแต่ขโมยเงินพ่อเงินแม่นี่แย่เลยบางทีกขโมยเงินล่าหลานแหละอหรือนะว่อาไอเราเองจริงจริก็กอนึกนึกกันหลายอย่างบางทีไอคนใจดีไปก็ยืมเงินเขามาแล้วกนะ็ทำเจ๊ยก็ไม่ถวงไอคนที่มันเท e ียมๆเลยยอมมันเพิ่มตัวลงตัวเล็กบ้างก็เอายอมเสียเปรียบครับยอมเสียเปรียบคนเร็เรวๆนะ ไปก็ไปขอยืมของวัดก็ยืมเงินพระของพระเห็นท่านใจดีก็เลยไปขโมยก็เลยเรียกว่ามันง่ายๆดีไม่ไม่เดือดร้อนอะไรมามันกลับตาลปาดหมดเพราะฉะนั้นปัญหาเนี่ยมันอยากเพราะมันมีมโนภาพใบแค่หนึ่งแต่พอไปทำกรรมปุ๊บเนี่ยครับมันเกิดขยายตัวที่หลังอย่างนี้ก็กลายเป็นผลตอบกลับที่รุนแรงกว่า ความอยากอ่าที่ผมว่าเมื่อกี้นะ่ะเมื่อความอยากในที่จะทํากรรมเพราะหวังผลอันใดอันหนึ่งตามที่ตัวเองเข้าใจแต่ว่าไอ้กรรมที่ตัวเองไปทําอาจจะมีสภาพที่สอดคล้องกับผลนั้นหรือไม่สอดคล้องกับผลนั้นหรือมีผลที่ตัวเองเข้าใจไม่ได้แต่ไปทํากรรมนั้นเขาแล้วด้วยความอยากด้านอื่นแล้วมันมาได้ไหมคุ้มเสียหรือได้เกินเสียก็ตามเถอะ มันก็ส่งผลให้เกิดวิบากทีกนี้วิบากตรงนี้ยท่านเอวิญญาณเพราะว่ามุ่งจะแสดงตัววิบากหลักคือชนกกรรมในตกระถาท่านใช้คําว่าไอ้กรรมที่เราทําด้วยความอยากเนี่ยแล้วเวลามาส่งผลเนี่ยนะมันจะมีกรรมอยู่สองส่วนส่วนหนึ่งท่านเรียกว่าสหากรรม <c oughs> หมายถึงตัวกรรมหลักกรรมที่เกิดพร้อมกับเจตนากรรมอรืหน้ากับอีกคำหนึ่งก็ใช้คำว่าสามภารกรรม คือกรรมที่เป็นสัมภาระสัมภาระหมายถึง <c oughs> บริวารเครื่องเข้าของเครื่องใช้เครื่องเคียงะถ้าเป็นเทียบเหมือนกับอาหา ร, รกางคเรียกว่าเครื่องเคียงโน้ตเราเราเรับประทานน้ำพริกเนี่ยน้ำพริกนั่นเป็นสหสหสหกรรมใช้คำว่าสหากรรมคือเป็นของหลักเหมือนสหาชาติของพระเจ้า <c oughs> เป็นของหลักแล้วก็พวกพริ ก, กอะไรไอ้พวกไอ้เครื่องจิม้ม เป็นสัมพาระภาษาไทยเรียกว่าเครื่องเคียงกรรมที่เป็นของหลักตัวหลักกับกรรมที่เป็นเครื่องเคียงมีสองอย่าง <c oughs> มันก็ส่งผลมาให้เกิดวิญญาณนะ <c oughs> เรียกว่ากรรมที่มีกรรมอะไรเป็นบริวาร <c oughs> มันมันเป็นเรื่องที่เอาแต่ตัวประธานอย่างเดียวไม่จำต้องมีบริวาร น, นะ อันนี้ฝากจำมาอย่างหนึ่งว่าเราจะเอาแต่กรรมหลักอย่างเดียวไม่ได้มันต้องมีบริวารบริวารเนี่ยมันมีทั้งบริวารเอไอชนิดตัวตรงกันข้ามมาคอยทอนกรรมเป็นดวงเป็นแมงชายกรรมนั่นกรรมหลักแล้วก็มีทั้งกรรมอุบาสธรมเนี่ยมันมีบริวารเยอะเพราะอะไรถึงต้องมีบริวารเพราะว่าเวลาที่เราทํากรรมเนี่ยเราจะเห็นว่าเราท towns, ําแล้วมันมีบริวารบางทีก็มีกิเลสเป็นบริวารมีไออย่างอื่นเป็นบริวารประกอบ เป็นกระเกระสกษายเยอะแยะไปหมดเวลาไอ้ตัวหลักส่งผลพับเนี่ยไอ้บริวารก็ตามกรรมมันเป็นสัตว์ผู้เหมือนกันสัตว์หมูเนี่ยไอ้ิงทิงที่ติดมากระจะนกกรรมแล้วก็ทำให้เกิดวิญญาณปฏิสนธิขึ้นอัตถาท่านมุ่งเอาปฏิสนธิวิญญาณที่เกิดเพราะท่านใช้คำว่าตัณหา ยังกรรมให้ปรากฏกรรมนั้นก็ทําให้วิญญาณปรากฏเป็นการพูดรวบลัด น, นี่ในหนึ่งนะอีกในหนึ่งคือโดยตรงโดยตรงเนี่ยหมายความว่าคนที่ <c oughs> ทํากรรมแล้วก็มีความหวังผลหวังผลคืออย่างนี้ครับผมกําลังย้อนไปถึงเรื่องที่เคยพูด เป็นเหตุผลเดียวกันอธิบายเดียวกันว่าไอความอยากความปรารถนาของเราเช่นว่าอยากในความเป็นหญิงอยากในการแต่งกายอย่างหญิงอย่างนี้นะอยากในความเป็นชายอยากในการแต่งกายอย่างชายอยากในทรัพย์สินสลิงคานตามมโนภาพเหล่ามีอยากจะได้บรรยากาศในชีวิตในสังคมอะไรต่างเนี่ยนะเราจะมีรสนิยมของเราอยู่เราพูดห้เพว่ารสนิยม พูดอย่างภาษาธรรมะเลยตันหาแต่ตัวตันหาตัวนี้มันจะมีอะไรความละเอียดสําเร็จมาจากกุศลตรงขึ้นมาอย่างไรนั่นก็แล้วแต่มันก็กลายมาเป็นรสนิยมทีนี้ไอ้รสนิยมของเราเนี่ยยันนั้นก็มันไม่มีพลังนะแต่ว่ามันจะมีพลังโดยสมบูรณ์เนี่ยเมื่อเราทำกรรมพราะกรรมให้ผลเนี่ยมันไปตามรสนิยมเลยหมดว่าเรา <c oughs> พูดถึงคนที่อยู่ในเมืองรับแรง <c oughs> ทาไมถึงยังนุ่งจงกระเบนกันอยู่ <c oughs> ทําไมถึงยังอยู่บ้านหลังคาแหลมๆมันรอดอะไรอย่างเราเนี่ยสมมติเราท่าน ช, นชอบบ้านทรงไทยนะฮะแต่กายตายไปเกิดเป็นเทวดามีบ้านทรงไทยอยู่ปริมาณมันจะเป็นแบบทรงไทยตามลบนิยมนั้นกรรมก็จะไปรับใช้เพราะกรรมเป็นตานานะี่ใช่ไหมละ่ะมันก็คือไอ้เครื่องรับใช้ตานานะี่นเอง ถ้าถามว่าท่านอยากให้ที่บ้านของท่านเนี่ยมีต้นหมากลากไม้อะไรอย่างไรมีรสนิยมอยู่ในใจไอ้รสนิยมในบางทีมันก็ไปทํากรรมตามรสนิยมด้วยเช่นว่าเราเราชอบอาหารอย่างนี้เลยอาหารอย่างนี้ใส่บาตรพใส่แล้วตาบอกไม่เคยหันเลยคือ <c oughs> ว่าเวลาใส่บาตรพลาดไปนึกสงฆ์อกละนึกทําตามเหตุผลของตัวเองบางอย่างก็พลาใช้ไม่ได้ก็มีเหมือนกัน ใช่นะครับต้องต้องถามรระกันไปองเข้าใจดีก็ใส่แล้วก็ก็เลยพ้ะก็เลยต้องรับแบบอนุเคราะห์จริงๆเพื่อให้เขาเกิดบุญสมใจอยากเขาโดยใช้บุญเป็นเครื่องสนองตัณหาแล้วนับว่าเป็นตนาที่ควรสนองนะนะเขาได้ทำบุญแต่มดว่า <c oughs> เราเป็นโรคใดโรคหนึ่งซึ่งมันต้องรักษาด้วยยาอย่างนี้เราก็ยาไปถวายพรละ คนผมผมบางเอาหวีถวัลยพระนะเอาหวีไปถวายพระเอาไอ้อะไรที่มันเกี่ยวเกี่ยวกับผมไปถวายพระขอให้พระหลับพระใช้ประโยชน์เลยไม่ได้เลยก็รับเพื่ อ, อนุเคราะห์รับแล้วก็ ก, ก็ืนกะันหรือ้็ไปอะไรเงี้ยนะเป็นเป็นการทำเอาบุญจริงๆหรือถ้าเป็นอาหารเนี่ยก็อ ย, อยิงจั่วหน่อยเราก็ทา แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยว่าการที่เราทําอะไรตามที่คนอื่นเขาชอบนะเน้่ยทำเร่ผลานุกรรคคนอื่นเหตุผของคนอื่นก็ได้เหมือนกันบางทีมันก็มาทําให้เราได้ได้ชอบได้ได้สิ่งที่เราชอบมันก็เป็นไปได้เอีกหรือว่าเอใครเขาเป็นโรคใดโรคหนึ่งเนี่ยเราก็หายาอย่างที่ที่เหมาะกับที่เขาเป็นโรคแล้วเราปฏิสานเราก็อาจจะมาได้ยาที่มันเหมาะกับโรคเรามันก็มีทางเป็นไปได้ ทุกทางแต่ทางอย่างว่านี่ก็ได้เหมือนกันเขาต้องการผ้าพระสาลีบุตรก็ทำผ้าอุทิศให้ถวายผ้าอุทิศให้เอง <c oughs> ก็เลยว่าไอ้ตัณหาความอยากของเราเนี่ยมันมีหน้าที่อยากแต่เมื่ออยากแล้วตัณหานั้นถ้าสําเร็จได้รับปัจจัยมาจากปัญญาได้รับปัจจัยมาจากธรรมแล้วไปทําอุบายสนองความอยากเรียนถูกต้อง ก็ได้ความสําเร็จอย่างถูกตรงกับความต้องการถ้าทําอย่างมืดหมัวก็ไม่ได้ถูกตรงอย่างความต้องการเลยจะให้ดูอุปมาที่พระเจ้าตรัสและพระพุทธจะาอธิบายเชื่อมมาถึงตรงนี้ <c oughs> อุปมาในหน้าสองสามบรรทัดแรกเ น, นี่ยนะว่าเ ม, เมื่อเาามื่อมีน้ำยอมครั่งขมิ้นสีเขียวหรือถีบานเย็นช่างย้อมหรือช่างเขียน เขียนรูปสตรีหรือบุรุษให้มีอวัยวะใหญ่น้อยได้ครบถ้วนที่แผ่นหินขาวแผ่นกระดานฟ้าผนังหรือผืนผ้าแม้ชั้นใดก็ชั้นนั้นนี่ฉันพูดไปแค่นี้แต่ว่าท่านอธิบายอย่างนี้ท่านใน ห, หมายเลอธิบายอย่างนี้ว่าเพราะผู้เมียภาคต้องการจะแสดงถึงความแตกต่างของกรรมเหมือนกระช่างเขียนกรรมในมอนกกระช่างเขียน ช่างเขียนในมีช่างเขียนที่ฉลาดกับช่างเขียนที่ไม่ฉลาดถ้าช่างเขียนที่ฉลาดในเขียนรูปออกมาแล้วรูปดีสวยงามแต่ช่างเขียนที่ไม่ฉลา ด, าานลาดในเขียนรูปออกมาแล้วม ไ, มลามาลไม่สวยงามฉันใดก็ฉันนั้นกรรมที่เกิดแต่ตัณหาเป็นปัจจัยถ้าตัณหานั้นสำเร็จขึ้นด้วยรับปัจจัยจากอุสลคือญาณสัมยุญตจิต กรรมนั้นก็จะเป็นกรรมที่บริสุทธิ์สวยงามและท่านก็เลยพูดว่าว่าผู้นั้นจะได้อัตภาพที่สมบูรณ์ผู้ใดทำกรรมด้วยตัณหาที่ชั้นต่ำจะได้รับอัตภาพที่ไม่สมบูรณ์ปฏิสนธิจิตก็มีคุณภาพต่าไม่เหมือนกันไม่เท่ากันนั้นความอยากเนี่ยใครจะอยากอย่างไรก็ได้แต่จะได้สมอยากหรือไม่อยู่ที่ตัวประกอบด้านอื่น ก็อยากจะทํากรรมแล้วก็กรรมนั้นทำได้ประณีชแค่ไหนก็อยู่ที่ความประโีชของตัณหาของผู้นั้นทํากรรมชั้นสูงชั้นต่ําตัณหาเป็นปัจจัยทั้งนั้นอตัณหายิ่งเป็นเหตุให้เกิดวิญญาณด้วยอํานาจโดยอ้อมและโดยตรงท่านเรียกปัจจัยตัวนี้ว่าประตูปณิทิยาปัจจัยก็ย้มว่าประตูปณิทิยปัจจัยเนี่ยมันหมายถึงอุปนิสัยปัจจัยนั่นแหละเมื่อ เราต้องการอย่างไรตั้งความต้องการนั่นขึ้นแล้วก็ไปทํากรรมสนองความต้องการกรรมนั้นอยากบ้างไม่ไม่อยากบ้างละเอียดบ้างเนี่ยก็ทําให้ความต้องการของเราเนี่ยสมใจบ้างไม่สมใจบ้างได้ดีบ้างไม่ดีบ้า ง, างอันนั้นอันหนึง่งคือเอาผลอยากในผลแล้วก็ทํากรรมผลนั้นเกิดเพราะกรรมก็จริงแต่ตัณหาอยู่หลังฉาก ตันหาจึงเป็นอุปนิสัยปัจจัยให้แก่วิญญาณไอ้กรรมเนี่ยเหมือนกับผู้รับใช้ตันหาอย่างดี่ว่าแล้วก็ถ้าหากว่าเราอยากในกรรมอยากในกรรมคืออยากจะทาสิ่งนั้นเป็นตัวออกมาก็ชื่อว่าเป็นเหตุให้เกิดกรรมโดยตรงปลาลบกรรมเป็นเบื้องต้นเบื้องหน้าแล้วก็จึงทํากรรมแล้วผลที่ออกมาก็ มีขายเกินเกินมีบานปลายหรือมีทิศทางไม่เป็นอย่างที่ตัวเองนึกหวังทั้งใจไว้แต่เดิมนี่ก็เป็นปัญหาที่มีอุปการะจากปัญญามากน้อยแค่ไหนนั่นเองตอนนี้นเมื่อปัญหาเกิดแล้วเนี่ยนะฮะทำให้เป็นปัจจัยแก่วิ ญ, ญญาณจึงตรงเคราะหว่าเป็นโดยประตูปณิส ย, ยาปัจจัยดังกล่าวและ วิญญาณเมื่อปฏิสนธิอย่างหลงก็ทำให้นามรูปและปรากฏนามรูปปรากฏอันนี้อธิบายอย่างที่เคยอธิบายแล้วนามก็หมายถึงเจตสิกคุณสมบัติที่อยู่ในวิญญาณนั้นรูปก็คือที่รองรับที่สถิตของวิญญาณนั้นและเมื่อมีนามรูปสังขารก็เกิดข้อนี้ประหลาดที่ว่าสังขารทั้งหลายจเจริญขึ้นเนี่ยสังขารตัวนี้หมายถึงกรรม เราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงตรัสว่านาำรูปเป็นไปใจให้เกิดสลายชนะคือพูดแค่นั้นและจบแค่นั้นเลยไม่ขยายความแตกรายละเอียดเป็นขั้นเป็นตอนต่อไปพูดไปถึงกรรมถึงสังขารก็คือกรรมนั่นเองครับคือกรรมได้แก่เจตนาปกติสังขารจะต้องอยู่ข้างบนเลยเราเคยจําได้ว่าวิญญาณเป็นใจใเกิดสังขานนะฮะที้เมื่อเกิดสังขารและทําให้เกิดภพใหม่ต่อไปคือเมื่อมีกรรมก็มีภพใหม่ต่อไป และเมื่อมีพบใหม่ต่อไปชาติชารามรณะก็เป็นผลติดตามมาและเมื่อยังมีชาติชารามรณะอยู่เนี่ยความทุกโศกก็ยังคงมีแก่ผู้นั้นอันนี้จะย้อนให้ดูว่า <c oughs> อะไรเป็นอะไรเราดูตรงตันหานะฮะตรงตันหาพอดีหรือถ้าย้อนขึ้นไปถึงอาหาร อาหารก่อนก็ได้อาหารที่ที่ผมไม่เขียนภาพเมื่อกี้นะใครไม่ได้เขียนก็อาจจะไม่เห็นชัดแม้จะได้ว่าวันนี้ไม่มีเครื่องเพื่อจะจะชัดเจนขึ้นมากอาหารนี่สงเคราะห์เป็นเป็นวิบากสงเคราะห์เป็นวิบากนะครับตัณหาสงเคราะห์เป็นกิเลสเป็นกิเลสศีสันในที่นี้กิเลสของสีสันหรือว่ากิเลสสมุนในมีอยู่สองมูลของสังสารวัต กิเลสที่นับเป็นมูลของสารวัดคืออวิชชาโมลนอันหนึ่งกับตัญหาหมลนอันหนึ่งตัวสาคัญของตัวนี้ตัญหาก็เป็นกิเลสสวัด์วิญญาณกับนามรูปเป็นวิบากวิญญาณกับนามรูปเป็นวิบากสังขารเป็นกรรมเราจะเห็นว่าพอกรรมเนี่ยมาแสดงให้ปรากฏ ต, ตัวตรงนี้ ความเชื่อมต่อระหว่างวิญญาณกับตัณหานั้นก็ผ่านกรรมนะแต่ว่าไม่ได้ยกขึ้นมาเป็นเป็นประเด็นเป็นปมชี้ให้เห็นสังขานเป็นชื่อของกรรมแล้วก็พบกับชาติชารามรณะเป็นวิบากอีกสรุปแล้วก็วิบากกิเลสกรรมบนกันอยู่อย่างนี้ถ้าจะว่าถึง ปัจจัยเติมจะให้เต็มเนี่ยนามรูปเป็นปัจจัยเกิดสังขารที่ว่าเนี่ยนะเป็นโดยเออเรียกว่าปกตะูปนิสยปัจจัยตัวนี้นะนามรูปเป็นใจเกิดสังขารวิญญาณเป็นใจัยเกิดนามรูปเป็นสหาชาตาปัจจัยและสังขารเป็นใจให้เกิดพบเป็นนานักคณิกกรรมมาปัจจัย พบเป็นปใจใัจจัยเกิดชาติจรามานะานี่เป็นนานักกิกากรรมาปัจจัยอันนี้ก็จดไว้สาหรับใครที่อยากจะจดตรงนี้แบบสเคราชลงประธาน <c oughs> แล้วก็จึงชวนให้ดูเนื้อความในประเด็นที่สามถัดไปนิดหนึ่งนะว่ากล้ายๆกันคือถ้าความินดีเพลิดเพินทยานอยากมีอยู่ในอัศาส า, ารไ้ ในมโนสัญเจตนาอาหารไส้แล้วก็ในวิญญาณอาหารไส้วิญญาณก็ตั้งอยู่เจริญ ง, งอกงามในอาหารนั้นข้อความตรงนี้น่ะจริงๆแล้วท่านหมายถึงตัณหาเมื่อพอใจในสิ่งนั้นแล้วก็ตัณหาติดในอารมณ์นั่นแหละพลังของตัณหาที่อาศัยวิญญาณอาศัยอาหารสี่นะตัณหาที่อาศัยอาหารสี่เป็นอารมณ์เนี่ย ก็ทําให้วิญญาณเนเกิดขึ้นวิญญา ณ, ณคือพบใหม่ชั้นใหม่เกิดขึ้นคือไอวิบากคือวิญญาณที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เกิดจากตัณหามันก็ไอตัณหาอาศัยอาหารมันก็เลยเหมือนกับว่าไอวิญญาณเนี่ยอาศัยตัณหาที่อาศัยตัณหาอาศัยอาหารเป็นปัจจัยเลยพูดเหมือนกับวิญญาณอาศัยอาหารนั่นแหละ ต, ตามกับพุทธพจน์ที่แปลความออกมาเป็นอย่างนี้นะครับ ในความหลังก็เป็นอันตรัสเหมือนกันนี่เราก็ติก๊กไปดูในภาคปฏิเสธในภาคปฏิเสธเนี่ยท่านได้ตรัสว่าถ้าความยินดีเพลิดเพลินทะยานอยากไม่มีอยู่ในกวาวริงการหานใจวิญญาณก็ไม่ตั้งอยู่ ไม่งอกงามในกวาริงการาหันนั้นในที่ใดวิญญาณไม่ตั้งอยู่ไม่งอกงามในที่นั้นย่อมไม่มีการหยางลงแห่งนามรูปในที่ใดไม่มีการหยางลงแห่งนามรูปก็ไม่มีไม่มีความเจริญแห่งสังขารทั้งหลายในที่ใดไม่มีความเจริญแห่งสังขารทั้งหลายในที่นั้นย่อมไม่มีการเกิดในภพใหม่ต่อไปในที่ใดไม่มีการเกิดในภพใหม่ต่อไปในที่นั้นย่อมไม่มีชาติชะรามรณะ ในที่ใดไม่มีชาติจารามอัหน้าต่อไปเราเรียกที่นั้นว่าไม่มีความท่งไม่มีทุลีไม่มีความขามมบับแคลืนะ่นก็เนื้อความกลับกันธท่านั้นล่ก็คือความที่จะไม่อยากในอาหารหรือแม้แต่อะไรเนี่ยมันไม่ใช่แค่คิดว่าจะไม่อยากคนที่จะไม่มีความกระสันติดโดยร้อยเปอร์เซ็นโดยประการทั้งปวงในอาหารเสีได้ต้องเป็นอรหันต์ในครั้งนี้ท่านพูดถึงภูมิอรหันต์เลยทีเดียว เอากรบหมดเลยนะฮะเอ่อคือไอเราเองในเวลาที่เราพูดถึงว่าเมื่อเราทําบุญไนี่ยอยากอยากไปทําทบาปก็อยาพูดเลยเอทําบาปด้วยความไม่อยากก็ไม่มีใครก็สอนหรอกไม่ให้สอนให้ทําบาปอยู่แล้วอยากหรือไม่อยากก็อย่าไปดาแต่ถ้าเป็นการทําบุญแล้วก็มักจะมีคําสอนว่าอย่าไปทําด้วยความอยากไอที่พูดอย่างนี้เนี่ยมันมีกรณีผิดกรณีถูกคือคนที่จะทํา บุญทำกุศลกรรมอะไรสักอย่างหนึ่งโดยไม่มีความอยากที่เป็นกิเลสเลยอย่างเราๆเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะต้องมีความอยากซ่อนเล่นเข้าไปอย่างใดอย่างหนึ่งแน่นอนที่เป็นไปไม่ได้นะ่ะไม่มีเพราะว่าคนอุทิชนจะทําอะไรโดยไม่อยากนั้นไม่ได้แต่สิ่งที่เราทําได้ก็คือว่า คนที่ทำบุญโดยที่รู้จักควบคุมความอยากหรือวางตำแหน่งความอยากให้เหมาะสมกับกรรมตาราเทศถ้าอย่างนี้เราทำได้หรือถ้าทำไว้ด้วยความอยากาตามแล้วก็เลื่อนชั้นความอยากให้เหมาะสมเนี่ยอย่างนี้เราทำได้มันไม่ได้แปล ว, ว่าจะต้องอย่างนี้อยากไม่ได้อย่างนู้นเท่านั้นจริงจะได้คือในสิ่งที่เราเลือกแล้วชั้นเจนแล้วเนี่ยว่า เราทำสิ่งนี้เพื่อการผูกใจกันเรามีสิทธิที่จะอยากได้เห็นว่าเราผูกใจธาตบริวารในบ้านเราเนี่ยเราก็ทำเพื่อเป็นจิตนิจิตริจมิจฉาใจผูกใจกันไว้ไอเราจะบอกเออทำอยากนี้ไม่ได้บางคนก็ผูกใจกันไว้ตัวจะคิดละเอียดแค่ไหนนั่นกเรื่องหนึ่งนะอาจจะคิดเออเขาทำอบมความ อุปการะแกเรามาอย่างนี้อย่างนี้เราก็ทําด้วยความให้ด้วยความกตัญญูตอบแทนน้ําใจเขามันก็สมควรดีนะนี่ถ้าเราทําบางอย่างเนี่ยเราก็รู้ว่าเออบางโอกาสเราทําด้วยเหตุผลนี้บางทีคนคนเดียวกันเนี่ยนะบางครั้งเนี่ยเราทํำด้วยเหตุผลนี้บางครั้งเราทําด้วยเหตุผลนี้ด้วยแหมปริมาณด้วยของถึงนี้ถึงนี้มันก็มีเจตุผลแล้วก็เราก็ อาจจะทําเพื่อแค่นั้นหรือบางคนก็อาจจะคิดเลยไปถึงไกลออกไปเห็นห น, น้าทีส่สงเวียผมไกลออกไปว่าเออก็ดีนะเพราะว่าเราอีกหน่อยเผื่อเราไปเป็น อ, อบริษัทบริวารใครในฐานะใดเนี่ยเราได้เจอเจ้าหนายดีๆนะเราก็ทําไปอย่างนี้ก็มองเลยเป็นขนาดนั้นแต่บางครั้งเราทําอย่างอื่นทานํากัรณีอื่นเนี่ยไม่ได้ทําเพื่อมุ่งอย่างนี้าการทําทานเนี่ยถึงมีหลายอย่างหลายความมุ่งหมายอย่างที่เกิดผู้กัน และถ้าเราทําถูกบุคคลถูกกาลถูกเทสะเนี่ยมันดีทั้งนั้นแหละครับนีถ่ถ้าถ้ทําทํามันแล้วไมไ่สนใจอะไรเลยทําจริ้งๆกว้างๆไปกับผิดทะะี่ครับหลวงติชาบอกว่าผิดที่ผู้ใดเป็ น, นปตัวป ด, ดกเลยเลยคัดเอามาเปลี่ยนกันแล้วกลายเป็นคนที่ทําแล้วก็ไม่ไม่เอาใจใส่ไม่เห็นนันิสงนึกว่าเราทําแล้วไม่เอาอะไระเป็นสิ่งดีสําหรับเราแล้ว อ่าอันนี้ก็เป็นเป็นอันหนึ่งนะว่าเราน่อย่าพูดถึงความไม่อยากเพราะเรายังมีความอยากขอให้ทำอย่างบริหารความอยากด้วยปัญญาให้เป็นนี่ถ้าคนไหนที่เป็นพระอาหารหันแล้วเป็นพระอาหารหันแล้วนี่ก็คือว่าไม่มีความอยากอะไรแล้วก็ทำแล้วก็ไม่ ไม่เชื่อว่าทำด้วยความอยากไม่มีความอยากจริงๆริงคนไม่มีความอยากไม่มีตัณหาเนี่ยอะไรผิดเนี่ยไม่ทำอะไรถูกเนี่ยก็ก็ทาแต่ไม่มีความอยากเพราะไม่มีความอยากผลของกรรมจึงไม่มีตรงนี้ก็มีปัญหาว่าทำไมละตัญหาแล้วการกระทำนั้นจึงไม่มีผลไม่ใช่ไม่ทำนะทำแต่ไม่เป็นกรรมไม่เป็นกรรมเพราะไม่มีผล ก็ตอบย้อนกลับมาเพราะไม่มีความอยาก้จะไม่มีความอยากต้องการขนาดนั้นเลยก็มีคําตอบอย่างนี้ครับ <c oughs> เพราะว่าคนที่จะละความอยากได้อย่างนี้เนี่ยเพราะว่าหนึ่งเห็นโทษ <c oughs> ของวิบากกรรมเห็นโทษของวิบากกรรมไอ้เล่านี่เราไม่เห็นโทษของวิบากกรรมอาจจะยางดีว่าอาจจะว่าบางอย่างแล้วก็พอเห็นไอเห็นแล้วมันเห็นระดับเรานี่ยที่เคยพูดมาว่า เออไปทําอย่างนี้แล้วมันเป็นอันตรายเราก็ไม่ทําัะแต่ขวงเรามันไม่ได้ล่าเด็ดขาดแล้วก็มีเงื่อนไขต่างๆกันคือเราลองคิดดูว่าถ้าเรารู้สึกว่าเห็นโทษเนี่ยเราไม่ทาจริงๆไม่ว่าจะตบยุงสักตัวหรือไม่ว่าใครเขาจะมาจ้างเราให้ให้ทําสิ่งนั้นหรืไม่ได้จ้างเนี่ยเราก็จะไม่ทําจริงๆใช่ไหมไม่ทําเพราะเราเห็นโทษไม่ไม่ทําเพราะว่าเออไม่รู้จะทําไปทําไมไม่รู้จะไม่ทําไปทําไมไม่ได้คิดแบบไม่รู้เรื่องอย่างนั้น ทีนี้ถ้าเป็นพรรหันเนี่ยท่านเห็นโทษเข้าถึงโทษอย่างสมบูรณ์ในวิบากของกรรมไ อ, อ้โทษของวิบากกรรมหรือวิบากภายนอกก็ดีโดยเฉพาะวิบากคืออัตภาพเห็นโทษเบื่อหน่ายตามคันลองของวิปัสสนาที่ถึงขั้นอรหันต์อรามาาทั น, นี้ไอ้เห็นแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่เห็น เห็นแล้วไม่ไม่เกิดอะไรขึ้นเห็นแล้ว e มันเกิดการละครับเรื่องนี้ก็เห็นจะเป็นธรรมดามกันเมื่อเห็นเห็นโทษลริ่เกิดกันละการหลีกเห็นแล้วเห็นโทษแล้วเห็นโทษว่านี่เป็นหลุมถ่านเปลืองเห็นโทษว่าน้ําในแก้วนี้มีอาหิวามเห็นโทษว่าเลือดในในหลอดนี้ในขวดนี้มีเชื้อเอชอะไรเงี้ยเราก็ไม่อยากไม่อยากได้ถึงสมมติว่าจ้างร้านเนี่ยเอาเอาเราเอาเลือดนี่ไปฉีดหน่อยเอาไหมล่ะ เอาเหรอเรากมา็มันไม่เห็นโทษแล้วไม่เอาทีนี้ไอ้เรื่องนี้มันถึงสําคัญถึงว่าเราพูดพูดมันพูดได้แล้วไงจะเห็นจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องพูดยังไงแล้วจะให้เห็นได้ยังนั้นหรอกครับแต่เราก็เพียงแต่ยอมรับหลักการเท่านั้นเองทีงนี้นเมื่อเห็นโทษของวิบากจึงเห็นโทษของกรรมเพราะรู้วิาววบากนั้นมันเกิดขึ้นจากกรรม มันไอตัวเราเนี่ยเราลักตัวเราเราก็อยากให้ตัวเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้นี่แปลว่าเราเห็นคุณของวิบากชื่นชมในตาในหูในจมูกในลิ้นในกายในใจในน้ำในลูกเนี่ยเราก็พยายามทําอะไรเพื่อเก็ประงมเพื่อสนองเพื่อบํารุงสิ่งที่เรารักซึ่งมันเป็นโทษในตาล่าราม อเราก็เลยไม่เห็นโทษของกรรมไม่ลาหลันท่านเห็นโทษของกรรมทีนี้เห็นโทษของกรรมอย่างการเข้าถึงเนี่ยมันเกิดการอยู่เหนือกรรมเกิดการละมันละในทางที่ไอ้กรรมก็คืออย่างมันก็คือเจตนาให้ตายรึปลาสี่งนี้ยังมีแต่ตันหาไม่เข้าไปติดพิสมัยในสิ่งนั้นทําแล้วไม่เอาจริงๆรงๆด้วยรู้ว่ามันเป็นโทษแล้วก็ไม่โวนกวายคือไม่ไม่ทําอย่างชนิดที่จะไป เห็นเป็นของพิเศษวิโสจะเอาเป็นตาหนะที่พึ่งต่อไปเหมือนอย่างเราทดาดังนั้นจึงเปรียบเทียบเหมือนกับบุคคลเมื่อเห็นการงานเห็นผลงานผลของงานนั้นเป็นโทษก็ย่อมจะลังเกียจไม่ต้องการเบื่อหน่ายเห็นโทษในกรรมอันเป็นผลของงานนะั้น เช่นมีใครบ้างที่จะทําสวนอุตภิดทําไรอุตภิคท่นรู้จักอุตภิดไหมรู้จักอุตพิดนี่เป็นดอกไม้ที่มีกลิ่นเหม็นที่น่ารังเกียจที่มันขึ้นตามสวนมันขึ้นมันเองเจอก็ตัดตัดทิงกันหมดจนกระทั่งเราเคล้าชักโคมจะสูนย์มันเนี่ยจะไม่มีต้นไม้อะไรบางอย่างให้ได้อยู่ในความรับรู้ของคนรุ่นหลัง ที่ในสงส์สวนทุนลโงทุนเรียนอะไรสมัยก่อนนึกว่าไปบ้านเพื่อนกันเนี่ยนะแต่ปกครองปรเป็ดอะไร ย, ยังมีเรได้เจอเราก็จะง้างเพื่อนเขบอกว่าไม่ไม่ต้องอย่างง้าไม่ต้องระวงรังหรอกเดินไปเลยเราไม่มีอะไรมิดผมเป็นกลิ่นของเคร่องละพิษเราก็าก็กลัวมหมือไม่มีใครปลูกต้นไม้พิษทำไมมีวัตถุประสงค์ที่เป็นการไปทํายาของยาพิษอะไรกันอย่างนั้นไอ้จะอ้เรอ อ, อ, ออย่างนี้ก็เป็นธารมดา ห, หรืถ้าเป็นอย่างเราเนี่ยเราเห็นว่าถ้า มีใครเข้ามายกธุรกิจลงค่าวัวค่าควายค่าสัตว์ถึงจะเป็นพ่อแม่แล้วยกให้เป็นมรดกเราก็ไม่เอาโอคจริงเปล่ายังไม่รู้นนี่นะยกให้จริงๆอาจจะเอาก็ได้แต่ว่าถ้าพูดถึงลองทดลองสมมติตัวเองรู้ว่าม่อถ้าผลตอบแทนท่านหะไก็แมาเว้นแต่ว่าถ้าทำแล้วได้หนี้พาน่าจะเอาแต่มันไม่ได้ดิ เรื่องเห็นโทษเห็นคุณเนี่ยมันขับสนกันอยู่ระหว่างสายตาของบัณฑิตชนกับชาวบ้านทั่วไปเชื่อไหมว่าบางคนเนี่ยเห็นว่าศาสนาเนี่ยเป็นโทษศาสนาพุทธเดยียวนี้กำลังหนักอกหนักใจกันเปนการใหญ่เลคือมันเป็นเรื่องที่ว่าสมมติว่าใครคนหนึ่งเนี่ยเขาเกิดมีลูกชายคนเดียว เขามีฐานาหน้าร่ำรวยมีลูกสาวคนหนึ่งตัวอย่างพร้อมมูลหมดเสร็จแล้วก็เกิดมาสนใจศาสนาจะไม่เอามาหลกของของพ่อของแม่ไม่เอาธุรกิจก็ชักรู้สึกว่าเอ๊ะศาสนาพูดไม่ดีหาว่าไปงมงมงมงง า, างอะไรเงี้ยนะก็ก็มีมาตลอดนะฮะขาสนารุ่นผมนี่ยังเคยมีมีเด็กเกาสาวคนหนึ่งมานั่งเรียนมาเรียนเก่งมาก พ่อแม่มาคอยจีดกันการท่ามันตามแม่ไม่ให้เรียนกลัวจะมาหลงศาสนากลายเปย็นนั่นไปซึ่งเราก็เป็นห่วงนะห่วงความรู้สึกว่ามั น, เ ป, นเป็นบาปเหมือนกันนะก็ต้องอธิบายกันอย่างคือคนที่เขาไม่คิดมันเขย่าก็ไปอย่างก็หลายคนที่เป็นนั ก, รร ก, กนอัมมากรตมีชื่อเสียงเพราะว่าหลายคนนแม้แต่ผมเองก็เหมือนกันพอเราจะชี้แจงเอาชนะพิสูจน์แล้วก็เห็นได้เนี่ยโอ้โหมันนานนากักหนา เราลองคิดดู ว, ว่าพ่อพยศเนี่ยถ้าไม่ได้บรรลุโสดาบันเนี่เพราว่าคงจะเกลียดพระกุตเจ้าไปตลอดชีวิตนะอยู่ดีๆเอารู่ชายเข้ามาบวชบวชแล้วไล่อะไรลองคิดดูคนที่ติดวัดตถุเนี่ยเห็นความรู้สึกอะไรตัวเองเป็นเรื่องสาคัญแม้แต่พ่อแม่พระกุตเจ้าก็เหมือนกันพ่อแม่ของพระรัฐบาลก็เหมือนกันแล้วคนไม่รู้จะอธิบายกันยัยงไงตรงเนี้นะอนธิบา ย, ยไม่ออกเลยเอาอะไรไปเลยวิธีง่ายๆก็คือว่า ม, มันก็ง่ายแต่วิธีแต่เขาจะวิธีที่จะซ้อนวิธีทำให้เขามาสัมผัสธรรมะมันเป็นเรื่องยากที่จะทําเขาได้มาสัมผัสง่ายๆกันทุกคนไปถึงว่าบางทีเราเองเนี่ยถ้าเห็นแก่ความเข้าใจเขาเนี่ยต้องเป็นฝ่ายที่ต้องเข้าไปประคับประคองเขาอะไรที่เขาต้องการและพอที่จะเรายอมเสียสละยอมที่จะประคองไปได้วยกันได้ก็เข้าไปประคองให้เขารู้สึกว่า การเข้าวัดการเข้ามาลองมันมีผลต่อเขาบางคนก็ก็มาได้ไว้ยังแม่แทะอาจารย์สถียนเมื่อสถียนโพธที่นั่นนะเมื่อวันศุกร์มั้งผมไปพูดที่บอพิชัยมุกผมในการที่เชิญไปปัญยาสี่ชั่วโมงให้พวกนักศึกษาฟังแล้วอาจารย์คนหนึ่งก็บอกว่ารู้จักเขาบอกอาจารย์สตียนเป็นเพจของบอพิชัยมุกมาเขาเลยรู้ว่าท่านจบชาตินั้น นี่ก็เหมือกันเปิดก็ับลูกคนจีนโอ้เข้าวันตั้งแต่เด็กๆพ่อแม่ก็ร่วมมาสิใช่ไหมนะมีพี่สาวคนนึ่งตัวเป็นลูกยาญคนเดียวพ่อแม่ก็รลุมก็มาชื่นใจเตอนงานศพลูกอะไรคนมาคันเพียบก็เห็นเออหนูเขาก็เรียบร้อยดีแต่ว่าอดีไม่สมใจนะไม่สมใจอยากของครอบครัวอยากจะให้ดีแบบมาลํารวยอย่างนั้นอย่างนี้ ทีนี้บางคนแล้วก็บอกว่าไอ้ตรงนี้บางทีเราก็ต้องนึกว่าไอ้งานงานสร้างเงินกับงานสร้างคุณภาพชีวิตคนเนี่ยอันไหนมันสูงกว่ากันก็ต้องผู้ใช้ภาษานี้นะงานสร้างเงินกับงานสร้างสร้างคนให้มีคุณภาพชีวิตนี่พูดถึงบางคนนะที่เขาอ่าอาจจะกำลังมีความคิดมีความหวังจะทําอย่างนี้แล้วก็มีไอ้แรงกระเทือนหมายเรื่องเงินเข้ามาขัดคอเข้าใจเป็นคนะแบบบางคนที่เขาจะเอาก็จะ หลงเินหลงทองแะแกจะตายได้วยังหลงเลยยังคิดอนตัวเลขยังมูนมามันเป็นในอาชินกรรมมันนะวนอยู่ในหัวเงี้ยเริ่อมว่าตัวจะตายมันไปแต่ันไม่ถึงก็ไอ้เลื่มเปมนไรมันจเนึ้เกลื่อมจำเนึกมันมันเป็นเรื่องที่คนไม่เหมือนกันให้เราเองก็ถึงว่าไอ้พันธะของชีวิตโอกาสในชีวิตแต่ละคนเนี่ยบางคนก็โวจะทําความดีอยู่ประหลาดเยอะ บางคนก็จะทำงอเมือไมันีอ oner, ุปสรรคบางทีคนอุปสรรคก็เกิดตายไปแล้วก่อนเราก็อยู่คนเดียวสบายแล้วไปไหนมาไหนได้สะโดวกจะไปวัดไหนก็ได้บางคนกะ็เอ า, า, เอาพอจะเข้าวัดเอาลูกเต่าโตแต่งงานแต่งการไปลูกไม่มากาัดคอก็เป็นโชววาสนาในทางต่างๆกันอตรงนี้นะครับที่ที่อพูดถึงพระอาหารย์ว่า เมื่อไม่อยากเนี่ยคือไม่ละความอยากได้ไม่ว่าจะอยากซ่อนเล่นอยากโดยตรงโดยอ้อมละได้หมดเนี่ยแม้จะกระทําการนั้นอยู่ได้กายวาจาและใจก็ไม่มีพลังส่งผลเหมือนว่าเราเองเนี่ยมีทรัพย์สินแล้วเราไม่คิดจะใช้แล้วนะไม่คิดจะใช้แล้วมันก็ไม่ใช่แล้วก็มีก็ เ, เ, เหมือนเป็นพลังเงียบไม่สามารถจะทําให้เกิดอะไรขึ้นได้ ท่านจึงเปรียบเทียบไว้ในประสตนนี้เราดูเนื้อความประเด็นที่หกตรงนี้ไม่อธิบายก็ค่อยยากเย็นกันนะทั้งที่ยกประมาณเนี่ยตรัสว่าดูก่อนที่สูงหลายเรือนยอดหรือสารามีสองยอดหน้าต่างทิศตะวันออกอันบุคคลเปิดไปทางเหนือหรือทางใต้เมื่อพระอาทิตย์ขึ้น ไปแสงขึ้นไปแสงแสงสว่างส่องเข้าไปทางหน้าต่างจะพึ่งตั้งอยู่ที่ไหนเที่ตามทรรมะเนี่ยว่าดวงอาทิตย์มีหน้าต่างทางทิศ ต, ตะวันออกนะแล้วก็วงโคนเปิดไปทางเหนือหรือทางใต้เมื่ออาทิตย์ขึ้นแสงสว่างจะส่องผ่านหน้าต่างแล้วก็ตั้งอยู่ที่ไหนที่สุธนายก็กล่าวตัว่าตั้งอยู่ที่ฝาทางทิศ ต, ตะวันตกใช่นะ ประที่ขึ้นทางทิศตะวันออกประตูทิศตะวันออกแล้วก็มีฝาอยู่ฝากานทางที่ว่าไม่มีไม่มีน้ำตาลนะส่องมาก็แสงก็ไปหยุดอยู่ที่ฝาด้านทิศตะวันตกคืออ่านอ่านต่อไปเดี๋ยวจะบอกป่าท่านต้องการจะบอกว่าอะไรกะผู้มีพระกตรัสต่อไปว่าดูกรวิสุทธิหลายถ้าฝาด้านทิศตะวันตกไม่มีแล่าแสงสว่างนั้นจะพึงตั้งอยู่ที่ไหนคือถ้าฝาไม่มี พิสุก็กราบทูล ว, ว่าที่แผ่นดินพระเจ้าค่ะก็แนงก็ทะลุปไปถึงบุญดิบไม่มีอะไรกันถ้าแผ่นดินไม่มีเล่าดินบ่ก็คือกุดินขุดไปแล้วมีอะไรมีน้ำพิสุสหายก็กราบทูล ว, ว่าที่น้ําพระเจ้าค่ะถ้าผู้มีพระธรรถามว่าถ้าน้ําไม่มีเล่าแสงสว่างนั้นจะตึงตั้งอยู่ที่ไหนก็บอกว่าไม่ตั้งอยู่เลยคือ คือถ้าไม่มีดินก็คือน้ําก็ไม่มีเนี่ยนะมันโล่งตลอดไปเงี้ยมองเข้าไปเหมือนมองเข้าไปในกล่องเหวเนี้ยแสงก็ไม่มีไม่มีที่ตันไม่มีที่ตั้งเหมือนเราฉายไปในอวกาศนลึกๆเนี่ยแล้วก็ไม่มีที่ตั้งพระภูมิภาคตรัสว่าชั้นนั้นเหมือนกันแหละเหมือนกันยังไงต้องอธิบายแล้วว่าคือท่านต้องการจะบอกว่ากรรมของพระอราหันต์เนี่ยคือกรรมของใครก็ได้แต่นะมันเหมือนรัศมีดวงอาทิตย์ แสงอาทิตย์เอาง่ายง่ายแสงอทิตย์แสงอาทิตย์ที่ส่องมาเนี่ยถ้าเรามีอะไรลับลับคือยึดคือถือเอาแสงอาทิตย์นั้นก็ถูกกักถูกเก็บมีพลังอยู่แค่อยู่ที่นั่นไอ้ตัวนั้นเป็นตัวถือเอาเป็นเจ้าของนะไม่ถ้าไม่มีฝาก็ไม่มีสิ่งที่ถือเอาเป็นเจ้าของนี่ท่านเกิดที่ว่าเหมือนกับเรากับาราดาน เราใ น, นมีอะไรเป็นตัวหยุดเป็นตัวกักเป็นตัวเก็บเป็นหม้อบแบตเตอรี่ <c oughs> หรือเป็นจอนะเป็นจอรับเวลาฉายหนังถ้าฉายไปบรรยากาศไม่ติดไหมไม่ติดอะหายเพลิดฉายเท่าไหร่เท่าไหาร่ก็หายเงียบเลยไหมไม่ต้องไปถามดาราหนังข้างหลังหรอกถ้าบุคคลยังมีตังหาตังหาจะเป็นตัวรับ นั่นเมื่อตันหาเป็นตัวรับเนี่ยเขาบอกมันเป็นตัวยึดเป็นตัวเจ้าของมันก็เลยทําให้อะก ร, รมเนี่ยมันมีพลังที่จะทําเป็นภาพยนตร์ก็เป็นน่นเป็นนี่มตามลักษณะที่มาของแสงนะฮะถ้าเราถอนตันหาจะได้ก ร, รมนั่นก็เป็นของไม่มีที่ตั้งไม่มีที่ตั้งก็คือไม่มีที่สําแดงตัวก็จึงชื่อว่าเป็นกิริยาก ร, รัมที่เป็นหมันก ร, รัมที่ศูนย์เปล่า กรรมที่ไม่เกิดผลอะไรเพราะไม่มีที่รับตบมือข้างเดี่ยวจำนองนั้นนี่คือลักษณะของป ร, ราอารันการจะทําท่านเป็นกิริยาเพราะไม่มีตัวยึดไม่มีตัวรับไม่มีตัวถือเอาคือตันหาตันหากับกรรม จ, จึงเป็นของสัมคันธ์กันอย่างแนบแน่นแนบแน่นดีกว่าวิชานะอวิชานี่ก็เป็นเปียงเป็นตัวปกปิดแต่วัยตันหะนี่ก็เป็นตัว ได้รับปัจจัยจากวิชาแล้วก็เป็นตัวใช้ให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็เป็นตัวรับผิดชอบก็ต้องเห็นใจบอกว่าตัวรับผิดชอบแบบจำใจต้องรับผิดชอบสิ่งที่ตัวได้บงการให้ทำไปวันนี้ก็จบประสูตรนี้ลงด้วยเวลาสิ่งที่นี้ทุ่มมัน ก็คำว่าวิปัสนาภูมิเลยแปลว่าที่ตั้งของวิปัสนาวิปัสนาเป็นตัวกาหนดเป็นตัวงานส่วนภูมินะ่ะเป็นที่ทํางานและที่ในที่หมายถึงอารมณ์อารมณ์ของวิปัสนาในอารมณ์วิปัสนาเนี่ยก็คือนามรูปทั้งหัวจอด้าเหล่านี่นะฮะทั้งข้างในทั้งข้างนอกหรือข้างไอข้างนอกก็คือมาสัมพันธ์กับข้างในแล้วก็เกิดอพฤติกรรมภายในขึ้นอย่างเช่นอาหาร อาหารอยู่นะอยู่ถ้าอยู่ในกระมังเนี่ยมันก็อันหนึ่งนะแต่ว่าบอกพอกเสพเข้ามาแล้วหรือใจแล้วก็ไปเกี่ยวข้องอยากกินอาหารอะไรอย่างนี้นะหรือกินเข้าไปแล้วเกิดผลอย่างไรนั่นแหละคือที่กำหนดรูปที่ออกมาเป็นรูปของอาหารของที่กินแล้วก็พัทธะคือความรู้สึกก็เป็นที่กำหนดได้หรือว่าเวทนาหรือวิญญาณ คือย่างไรใช่ไหมเรื่องไหนคระค่ะคือเรื่องเลี้ยนะก็ถึงบอกว่าในย่างของปฏิจจสมุปบาทเนี่ยท่านแสดงเป็นหลายรูปแบบนะทีนี้ตรงนี้เนี่ยว่าตัญหาที่เป็นปัจจัยที่วิญญาณเนี่ยมันจึงเป็นโดยปกตะตูคือแบบแบบก้าวกระโดดกล่าวคือว่าก้าวกระโดดแบบโดยตรงก็คือเราอยากอย่างไร สร้างความอยากขึ้นมาว่าเราชอบแบบไหนแบบไหนทานหาไม่ชอบมันนี้คือจะชอบถ้ามันชอบเฉยๆแล้วไม่ไม่ได้ทําอะไรคามชอบนั้นไม่ประสบความสำเร็จแต่ถ้าชอบแล้วไปทําอะไรทําเนี่ยมีผิดมีถูกแต่พอทําเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นอย่างผิดอย่างถูกถ้าชอบแล้วไม่ทํามันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นทั้งผิดทั้งถูกนะออีกอันหนึ่งก็คือว่ามันชอบกรรมมันไม่รู้ระวังกรรมไปสัมพันธ์กับวิญญาณยังไงสัมพันธ์กับชีวิตใหม่ยังไง มันชอบเห็นว่าเราชอบฆ่าสัตว์ไม่รู้ว่าค่าแล้วเป็นไงชอบทําตาสัดให้บอดอะไรนี้เป็นต้นก็ชอบกรรมอย่างนั้นชอบเบื้องเหตุผลด้านอื่นว่าชอบเอิ่มสนุกดีชอบความสนุกหรืชอบอย่างอื่นเบื้องเหตุผลสารพัดอย่างนะแต่ไม่รู้เลยว่าไปทําตาแัตบอดเนี่ยตัวจะได้เสียหายทางจักรวิญญาณตัวกําลังชอบตาบอดไม่รู้โดยชอบโดยบริยายตัวไม่รู้ก็ทําไปเห็นแก่ผลเล็กๆน้อยๆ พอทําไปแล้วเนี่ยมันเกิดไม่ใช่อย่างนั้นคนเราที่อยากอย่างแล้วก็ทําอย่างนั้นแล้วมันเกิดผิดพลาดนะ่ะผิดพลาดไม่ใช่ทําไม่ใช่ท ำ, ทำผิดแต่ว่าอการผิดแล้วมันบานปลายได้ไม่คุ้เสียเนะี่เยอะไปหลายหลายหนนะเพราะว่าอันนี้ถึงเป็นในหนึ่งการที่เราฟังเรื่องปฏิเสธเรื่องนิทานทังยุทนี้ทาํทาทให้เราเห็นปฏิจจครบเลยครับโอมันมีหลายอย่างพุทธเจ้าแสดงหลายอย่าง แล้วพอเราฟังหมดเนี่ยเราสามารถจะสรุปอะไรต่างๆได้คง่ายขึ้นแล้วก็ใจแหละจะพูดในมุมไหนเหี่ยไหนก็จะเข้าใจน ะ, ะนั้นก็